นี่จากธรรมสังคณีนะครับข้อ8ปดสาธิาละธรรมเป็นชไหนผ่านเกเรนะภาละธรรมเป็นชไหนสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อภาละธรรมคืออะฮิริกะอโนตัปปะบัณดิตธรรมเป็นชไหนสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อบัณดิตธรรมคือฮิริโอตัปปะ นี่ข้อแปดร้อยสามทีปดนะข้อนะฮะการหาธรรมเป็นชไหนกัรหาธรรมกัรหาแปลว่าอะไรครับการหานี่แปลว่าดังกัรหาธรรมเป็นชไหนสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อกันหาธรรมคืออะฮิลิกะอนโนตตาแสดงว่าสองตัวนี่มีความสําคัญลึกเกินอะนะฮะฮิลิอะฮิรินะ ได้สตัวเนี่ยนะครับสุขธรรมเป็นชไหนสุกะนะสอเสือสะอูกไก่สองตัวสุขธรรมเป็นชไหนสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อสุขธรรมคือหิริโอตตาปะอืมแสดงว่าภารธรรมนะครับบัณฑิตธรรมกันหธรรมสุขธรรมนี่นี่เป็นธรรมที่เป็นคู่ขู่กันเช่ไหมครเรียกว่าธรรมะที่เป็นหมวดทุกกะมติกา เป็นธรรมะหมวดสองที่อยู่ในประเภททุกกาเนี่ยคือสามารถมาแบ่งเป็นหมวดสองได้อย่างเช่นบันดิตกับพานคำว่าพานเนี่ยดูที่ไหนใช่ไหมถ้าบอกว่าคนพานคนพานดูที่ไหนพานก็ดูตรงที่ว่าไม่มีฮิริโอตา ป, ป ะ, ะไม่มีฮิริก็คือไม่มีความอายชั่วไม่มีโอตา ป, ปะก็คือไม่มีการกลัวบาป ถ้าหากว่าอะฮีริกะอโนตตปะเกิดขึ้นในจิตมันเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทุจริตทางกายถ้าหากว่าไม่มีฮิริโอตะปะทําให้เกิดทุจริตทางวาจาถ้าหากว่าไม่มีฮิริโอตะปะทําให้เกิดมโนทุจริตเรียกว่าทุจริตทางใจอันความชั่วทางกายทางวาจาทางใจสามประการนี้เขาเรียกว่า พาละลักษณะภาละประทานนะครับเป็นลักษณะเป็นยี่ห้อเป็นเครื่องหมายของของคนพานอันรากเงาชั้นลึกซึ้งของเขาแล้วก็มาจากคนนั้นไม่มีฮิริไม่มีโอตปะเมื่อเขาไม่มีหิริโอตปะกายกรรมของคนที่ไม่มีหิริโอตปะจึงเป็นกายกรรมที่น่ากลัวอ่พระ อ, องค์ใช้คำว่าภัยย่อมเกิดแต่คนพาน ภัไม่เกิดแต่บัณฑิตงนั้นคนที่เกิดอกุศลทางกายทางวาจาเนี่ยเป็นคนที่น่ากลัวมากตัวเขาเองก็น่ากลัวคนอื่นเขาเห็นแล้วก็กลัวกัเหมือนกันเกิดความสะดุ้งกลัวทางจิตแล้วก็เขาจะมีกายกรรมมีวจีกรรมที่เป็นแบบเป็นเยี่ยงอย่างให้กับคนต่อไปถ้าหากว่าใครถือเอาแบบถือเอาเยี่ยงอย่างของคนคนนั้นเนี่ยมันระบาด ความชั่วนี่มันระบาดไปไกลแล้วก็ทำให้สังคมนั้นไม่มีความสุขเลยเพราะนั้น อ, อาฮิริกะกับอโนโตปะความไม่อายชั่วไม่กลัวบาปสองตัวนี้นะมันเกิดขึ้นพอกพูนในสันดานของบุคคลได้มันเขาเรียกว่าเป็นอบายธรรมเหมือนกันนะเพราะว่าหิริโอตปะเป็นเทวธรรมใช่ไหมอันอาหิริกะอโนตปะสองตัวก็เป็นอบายธรรมเป็นธรรมที่ทาให้ไปสู่ อบายทุกคติวินิบาต์ดังนั้นเราไม่ต้องห่วงเลยว่าทําไมคนคนนั้นเขาถึงทําชั่วทางกายทําไมคนนั้นจึงทําชั่วทางวาจาทําไมคนคนนั้นจึงชั่วทางใจเพราะเขาไม่มีเฮริโอตาปะเขาไม่รู้สึกอายชั่วกลัวบาปและในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการหาธรรมการหาเนี่ยแปลว่าดําเป็นธรรมะฝ่ายดําที่ว่าเป็นฝ่ายดําก็คือเป็นไปเพื่อความตกต่ํางนั้นชีวิตของคนที่ก่อกรรมทําชั่ว ด้วยอำนาจของอะฮีริอะฮีริกาอนุตปะนั้นน่ะชีวิตก็มีแต่จะตกต่ำไปเรื่อยๆสภาพจิตของเขาก็ตกต่ำเมื่อจิตของเขากตกต่ำเจตนาที่เกิดกับจิตที่ต่ำแบบนั้นเนี่ยจะชักคร่าเขาไปสู่อาบายทุขติวินิบาศนรกโปร่งจึงว่าเหมือนกับพระจันทร์ในข้างแรง ม, มันมีแต่มืดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะมีแต่มืดสมมุติถ้าหากว่าแรม 1คำสองคำสามค่ำนี่นะสมมติความนี้สว่างร้อเพรุ่งนี้ลดเหลือเก้าิบปารนี้ลดเหลือแปดสิบเจ็ดสิหกิห้าสิบมันจะลดไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆคนที่เป็นพานก็เหมือนกันสิ่งที่เขามีอยู่ในโลกนี้ส่วนที่เป็นผลแห่งความดีแต่พารธรรมความชั่วเกิดขึ้นในจิตใจของเขาชีวิตของเขาก็มีแต่เสื่อมไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆแต่ว่าความเสื่อมนี้มันไม่ได้ เห็นหัวภาพเหมือนกับไฟดับแต่มันค่อยๆรีลงทีนี้คนบางคนเนี่ยใจร้อนคนทําชั่วก็อยากให้ผลชั่วได้รับปุ๊บเลยทันทีแน่ใจนะว่าถ้ถาถ้าทําชั่วปุ๊บแล้วผลของความชั่วให้ทันทีเลยพอใจไหมถามว่ายอมอยากได้ไหมอย่างนั้นถ้าคนอื่นเขาทําชั่วแล้วเราอยากให้เขารับชั่วทันทีเลยนะถ้าสมมุติถ้าพ่อเรากําลังทําชั่วพลาดอย่างเงี้ยถามว่าเราอยากให้ให้ผลเลยทันทีไหม หรือถ้าลูกเราไปทําชั่วอย่างไงเราอยากให้ได้รับผลทันทีไหมหรืออยากให้ได้เยี่ยมได้ประกันได้ะอั้นเราบางส่วนหนึ่งก็เกิดจากความลําเอียงนั่นเองถ้าเป็นญาติเรานะแต่เขาบอกว่าถ้าลูกเราก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าลูกคนอื่นเนี่ยไม่ได้เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นนี้เราไม่ต้องแช่งชักหักกระดูกเขาหรอกคนที่เขาทําชั่ววันนี้เขายิ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใจเอกแล้ ว, ลวนั่นแหละก็เหมือนกับหมอเนี่ยแหละไปเห็นคนทําไม่ดีมากๆเดีวก็หรือว่า ใช้สุขภาพไม่ใช้ใช้ร่างกายไม่ถูกต้องนะไม่ถูกหลักเดี๋ยวอีกวันหลังนี่ก็หอบห้องเข้าห้องฉุกเฉินแล้วมันก็เป็นอย่างนั้เดือดร้อนหมออีกนั่นแหละมันคนพานี่ไม่ดีโดยตรการทั้งปวงนะพระองค์จึงแสดงว่าเป็นกันหะธรรมะเป็นธรรมะฝ่ายดําส่วนธรรมะฝ่ายขาวเป็นยังไงเฮริโอตปะก็คืออยากเห็นไหมคนมีเฮริโอตาปะเป็นยังไงเหลียวไปรอบๆนั่นแหละเฮริโอตปะเกิดและจึงมาศึกษาพระธรรมนะ เหลือไปรอบๆมองเห็นเลยของนมาก็เห็ น, นเนี่ยนั่นแหละถ้าไม่มีเฮริโอตาปาณนะเชื่อเหลือเกินว่าไม่ไม่มาศึกษาพระธรรมแน่นอนถ้าไม่รังอายต่อความชั่วไม่กลัวต่อบาปไม่กลัวผลต่อผลของกรรมแล้วเนี่ยทุกคนคงเร่บไปสแสวงหาความสุขเป็นแน่นะ <C uth ika> คือสแสวงหากรรมมาสุขแต่ยังเห็นว่ากรรมมาสุขเหล่านั้นมีโทษมีสิ่งที่ดีกว่า น, ะนั่นแหละสิ่งที่ดีกว่าก็คือการเจริญกุศลธรรม เป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่อาศัยเนคขมมะเพราะความสุขนี้มีอยู่สองอย่างใช่ั้มกามสุขกับเนคขมมะสุขอ่ากรรมสุขก็คือสุขที่เป็นไปในรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมทั่วไปที่เป็นอำนาจของอกุศลแต่ถ้าว่าเนคขมมะสุขเป็นสุขที่เกิดจากการสละนะความสุขที่เกิดจากการสละกรม อันนี้เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งความสุขเหล่านี้เนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีโทษแต่ว่าในช่วงใหม่ๆเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่เห็นอันนี้สองแต่ถ้าหากว่าเจริญไปเรื่อยๆสุขเหล่านี้เนี่ยเป็นสุขที่เป็นไปไม่เดือดร้อนใจขณะที่บําเพ็ญก็เป็นสุขและผลของสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ผลเป็นความสุขพระผู้มีประภาสทรงสแสดงว่ากรรมบางอย่างขณะที่ทํากรรมสมาสทานบางอย่าง ขณะที่ประพฤติอยู่มีทุกข์ demon, แต่ให้ผลเป็นสุขกรรมบางอย่างขณะที่ทําเป็นสุขแต่ให้ผลเป็นทุก Rab ข์กรรมบางอย่างขณะที่ทําก็เป็นสุขให้ผลก็เป็นสุขและก็กรรมบางอย่างขณะที่ทําก็เป็นทุกข์และก็ผลของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นทุกข์กรรมที่ขณะทําแล้วเป็นความทุกข์ให้ผลเป็นความทุกข์เป็นอย่างไรการฆ่าสัตว์เนี่ยขณะที่ทำเนีย เ ม, มื่อเราไปเซื้อปลามาสักตัวหนึ่งจะทุกหัวหนี่ถามว่าเรามีความสุขไหมยิ้มแย้มแจม่มใสหนั่นแหละไม่มีความสุขเลยนะั้นการฆ่าเป็นต้นเนี่ยในขณะที่ทําเป็นทุกข์และผลของการกระทําเหล่านั้นอีกเป็นทุกข์ทุกทั้งในโลกนี้และก็ทุกข์ทั้งในโลกหน้ากรรมสมาทานบางอย่างขณะที่ทํานี่ยสุขเลือกเกินแต่ให้ผลเป็นความทุกข์เช่นการดื่มสุราการเที่ยวเล่น ต่างๆเหล่านี้ขณะที่ทำเป็นความสุขแต่ว่าผลของสิ่งเหล่านี้มันเผ็ดร้อนเกินไปถ้าหากว่าใครเคยศึกษาเรื่องกรรมบ้างเนี่ยจะเห็นว่าโทษของการอย่างเช่นนะโทษของการผิดผิดลูกผิดเมียชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้มันมีโทษมากมายมหาศาลตอนทำเนี่ยสนุกท่านท่านนนท่านเล่า ว, ว่าในอดีตชาติของท่านเนี่ยนะท่านทากรรมเหมือนกับคนไม่ตายเหมือนกันก็คือ ทำด้วยความสนุกสนานนึกว่าตายไม่เป็นเสร็จแล้วตอนมันให้ผลเนี่ยโหอย่างสมมติเกิดมาถูกตอนอย่างเงี้ยไม่มีความสุขเลยแต่ถูกตอนนี่มันกรรมเรียกว่าเสพเสพแล้วนะใช่ไหมหางเลขกเฉยเฉยพายุนะถ้าส ม, มมติถ้าพายุมันมาตรงตรงเนี่ยมันถล่มเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยระเนระนาดแค่หางหางนี่ก็ต้นไม้หักเฉยเฉนั่นแหละผลของกรรมก็เหมือนกันถ้ามันให้ผลตรงตร ง, ตรงเลยเนี่ยอบายทุกขติวิบัตินะลูก ถ้าหางของมันก็ถูกตอนบ้างอะไรบ้างนี่ๆหน่อยๆ อ, อย่างเงี้ยความจริงธรรมะสองครัวนี่นะครับหีรีก่ก็อดตับปานี่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็เราสามารถสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะเห็นได้นะครับถ้าหากว่าสมมุติ ว, ว่าถ้าไม่มีความละอายเนี่ยนะฮะความไม่ละอายกับความไม่เกรงกลัวตบะเนี่ย มันเกิดกับอกุศลทุกชนิดเลยนะถ้าหากว่ามันเป็นอกุศลตั้งแต่เบาบางไปจนถึงขนาดอากุศลที่ที่หนักๆ น, นี่นะครับก็จะมีอหิริกอาอนุทปะไม่ละอายนะท่านเคยนึกไหมว่าเวลาท่านทานอาหารนี่นะท่านทานอาหารเนี่ยท่านทานเรียบร้อยก็มีนะครับท่านทานไม่เรียบร้อยก็มีนะท่านทานมู ม, มามก็มีนะ ท่านเดินทานก็มีนะเดินไปกินไปด้วยนะขับรถไปด้วยทานไปด้วยก็มีนะอ่านะแล้วพอทานจนอิ่มแล้วก็ยังทานต่อไปอีกก็มีนะนี่เราเราสังเกตดูไว้ดีนะเราไม่มีหิริเราไม่มีหิรหิจริงๆนะสังเกตดูนะเข <c oughs> าบอกว่าการที่ไม่มีหิริเนี่ยเป็นการไม่เคารพตนเองไม่เคารพตนเองไม่เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นคนของตนเอง อันนี้น่าสนอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าปล่อยจิตของของตัวเองให้เป็นบาปเป็นอกุศลนะแล้วคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยเจคนอื่นก็ไม่รู้นะบางอย่างคนอื่นไม่รู้นะแต่เราทําไปแสดงว่าเราไม่เคารพตนเองเลยถ้าเคารพตนนะเราจะไม่ทําอย่างนั้นเลยถ้าเราให้ความศักดิ์สิทกับเป็นเรานะเออนี่นะเราต้องเป็นผู้ที่จิตใจสูงนะเราจะไม่ทําอย่างนั้นเลยในบาปกรรมทุกชนิดแสดงว่าเราไม่เคารพตนนะแต่ถ้าหากว่า โอตะปนะครับถ้าหากว่าอโนตะปะไม่เกรงกลัวตะบปาปนี่ไม่เคารพคนอื่นเลยนะครับไม่เคารพเลยนะเหยียบย่ำได้ ย, ย, ดยาด่าเลยรังแกได้รังแกเลยฆ่าได้ฆ่าเลยนี่ขาดความเคารพคนอื่นนะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนี่เดียวว่ามันมีจริงๆรซึ่งต่อไปเราคงได้เรียนโดยละเอียดจากข้อความในพระคัมภีร์ต่างๆ